เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้นและเพื่อรักษากุศลธรรมนั้นไว้ให้ตั้งอยู่ไม่เลือนหายจนยิ่งเจริญงอกงามไพยบู์ขึ้นเต็มเปี่ยมแต่ฉันก็ให้กำลังใจตัวเองมาตลอดคิดในใจว่านับหนึ่งใหม่หมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหนทั้งที่เป็นการนับหนึ่งใหม่อย่างใหญ่กับนับหนึ่งใหม่อย่างย่อยกระสิบกับตัวเองเสมอว่าบนเส้นทางนี้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 กำหนดสติจนเป็นสัมปะชัญญะอัตโนมัติบ่อยๆไม่มีความปรารถนาสิ่งใดนอกตัวแผ่ผ่านเข้ามาเกาะกลุ่มได้เกินนาทีเพราะแต่ละความอยากเป็นอันถูกรู้ถูกเห็นด้วยความเคยชินทั้งหมดทั้งสิน้น